รู้การจุติและเกิดทั้งสองแบทั้งหลายได้รู้กรรมตรรค ก, า, ก า, ายานุวัติทั้งหลายเป็นไปตามกฎของรับในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและบุคคลถ้าพผู้ใจดท่ า, านต่อปัญาญก่อนแต่บุคคลผู้ที่ท่านสอนได้ คือจะทำสอนใดยคือเทวทัตท่านก็ปล่อยตามบุญตามกันถึงแม้ว่าปล่อยตามบุญตามกรรเพระองท่านก็ยังไม่ขาดเมตตาลองคิดดูที่สรมหากปณณาของสมเด็จพรสมัมมาสัมพุทธเจ้าคือมีต่อท่านเทวทัต เ่านเทวทัตขึ้นไปบนยอดเขาทิศผู่ที่จะทำลายพระพุทธเจ้าเปลี่นปัญหเห็นลงมาหมายก็เหตทับพระพุทธเจ้าให้แหลกเสียเป็นจุลไม่จุลพระองค์ทรงพิจารณาดูวาระจิตของท่านเทวทัตทรงทราบวาถ้ า, าเทวทัตไม่ได้ทำร้ายเราแม่แต่นิดหน่ยเทยวทัตจะ อ, อกแตกกาย จะโอกาสที่จะได้กลับเนื้อกลับตัวเมื่อก้อนหินตะเกีหินตากระเด็นมาก็องยืนก็บาดไปลองรับให้ะเกียเหินที่กระเดียว่าทัดโยนลงมานั้นถูกทงก็บาทข้พระโงคิเขึ้นไดหน่อย แเราเทวะธาตุดี อ, อกดีใจว่าเราได้ทําร้ายพระพุทธเจา้าจนกระทัแม่ไม่ตา ย, ายาก็ยังดีแล้วก็ยังมีชีวิตต่อไปโดยกระท่งหลับหับเข้าพาลูกติดลูกอ๋กกาสีไปจากพระพุทธเจา้าจะไปตั้งาศาสนาใหม่แต่แล้วไปไ ป, ไปมามากทท็ท่านเทวะธาตอมานันริจัตุน เกศที่โดยเป็นสมาธิได้ทานสมาบัติขอเหินินอากาศได้ก็ทำให้เสื่อมสทนกาคุณง า, านตามดีทำมานันปัญญาปัญเสียก็ขาดสมาธิก็กเสื่อมสูญอิทธิฤทธ์ก็ ท, ทั้งพลาย บอก่อนเท่ ว, ว่าถาจะไปไหนมาไหนเขาเดนเดินอากาศหลังจากที่ทำอนันตานตินยกรรมคนได้ทำเสือมกระแไปที่ไหนไก็มีแต่โดนตักๆๆั้ตั้งตาไปถไปไม่ได้เหมือนจานัางกนท่านบริษัททังง้งหลายท่านจะทำอะไรที่ท่านอดทนไม่ได้ทไนไปเอ่อ ขออย่างเดียวอย่าไปิอทำอนันตริยกรรมก็กแล้วกันอนันตริยกรรมนั้นถ้าทำลงไปแล้วเสื่อมจาพระผลนิพพานตั้งอยู่ในฐานรอราลัชิคือผู้ไข้แค้ในพระพุทธศาสนาอย่าทำมันบาปนะหนึ่งขาพีดาสองข้ามานนาฐานกรมรมไรพระพุทธเจ้าให้ข้อบโลพะโลอิทธุ สอนภาคพอาสอนภาคอาตีภาพระอาราสห้าทำลายสงให้แตกกันระวังนะเวลาพระวัดใดวัดหนึงกัดคก็โยกกันแตกสามัคคีกันทะเลาะแหวกกันยาจนอยาไปสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวจะะลายเป็นอาณาคาริยธรร กั่างลงก็วัดใต้ลงก็วัดเหนือแต่ก็มีญาติมีโยงกันก็แงอาจผลประโยนกันได้บทพยากา ล, ะลทะเลาะปิดเสียงกันต่างกลก็ต่างมีลูกเต็มทั้งระทั้งโยมแต่กันเป็นัพเป็นปวกยกพวกขึ้นมาลบ ก, กันหากพสงแต่สามนาทีกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ลายทสีลูกขึน้นไป นั่นเป็นสังะเทศในอดสังฆเพศแล้วก็เป็นอนันตริยกรรมทำลายสงให้แตกการบาสนักบานะสนาโดยฉะนั้นการทำบาปทำให้นัหวังอนันตริยกรรมให้บาปบาปการทำบาปจะเดินเข่นข่ามนุษย์เป็นต้นแต่ไม่ใช่เพราะใจแม่ของเรา ไม่ใช่บทบาททางการห้าอางนนั้ยังมีโอกาส ท, ที่จะได้บรรลุพระพุทธบาทเช่นพระองคุลิมานห้าคนมาที่นับได้เ9้าร้อยเก้าสิบเก้าคนพอมาพบพระพุทธเจ้าได้ฟังคำไดุ้ปสมบทเก็นข้าสงในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติศีสมาธิปัญญาให้บริบณ์สมบูรณ์ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในจำนวนแปดสิบองค์เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรลุมเสียติอบาปัญญาใดที่เราทำมาแล้วยกเว้นอนันตานิยม สงสัยร้อใจว่าเราจะเป็นบาปเป็นกรรมจะติดทางข้าพนกานให้ใจจามคนเกิดคนใจจะได้ไปละลึกถึงมันเป็นอันขาดมันละลึกอดละลึกถึงไม่ได้ก็ให้มันลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมากมายจนมันลืมควลัง บม่ามันลงความหลังด้านจิตก็มาจดจ้องอยู่พี่คุณพระพุทธเจ้าคือพุกโอมันก็ไม่นึกถึงบาปเก่าแก่ที่ผ่านมาแล้วจิตมันต้องไม่ได้ตาไปกังวลกับบาปในอดีตการึกถึงพุกข์โอด็นผู้ภานุสติแล้นึกถึงคุณขฝงพระพุทธเจ้าแล้นลกถึงก็เป็นความแม่จิตไม่ต่อต่อตาม เราด้านการทำสมาธิภาวนาในเรื่องต้นนี้ต้องพยายามเอาสมาธิให้ได้แม้แต่เพียงอุปจารสมาธิก็ยังดีแต่มันมีอย่างนี้นะญา ต, ติโยมมันตามาเรทิเลนาโต ปูเสียงใหญ่ท่านกล่าวว่าลกใจเพื่อปราบมารถ้ทาขาปลุกใจก็คือพุทโธพุทโธพุกโธทีนี้มานี่ตัวขันธามารนี่เป็นตัวสำคัญขันธามารก็คือร่างกายของเรานั่นแะ น, นั่งไปนานมันปวดมันด้วยมันเจ็บเมื่อมันเกิดปวดนดวนเดเจ็บ อัอขึ้นมาแล้วตัวกิเลสประมาณมันก็มาซ่กคืออ阿拉ติความไม่ยินดีต่อการปฏิบัติทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันกลัวตายปฏิบัติมากไปมันวปวดหลายเดี๋ยวแขนขามันก็งมขาไปบดแต่กลายเปนหน่อยเป็นเรี่ยโดยปฏิบัติต่อไปไม่ได้ตัวกิเลสประมาณมันทำลาย ในระยะเวลาขันธมารมันแสดงฤทธมันขึ้นมาถ้าอย่งในขณะใดที่เราภาวนาโคโก้โคโกโคโททกโทท้ฤมันใกล้ใกล้จะสุบนั่นแหละขันธมารมันจะแสดงตัวให้เราบพบทันทีความเจ็บปวดความปวดเมื่ยมันก็ตั้งตัวขึ้นมากรเดี้ยวปวดต้นพอกระเดี้ยวปวดหัวกระเดี๋ยวปวดตา ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยระหว่างที่จิตมันจะเข้าสู่สมาธิปัดขาจากร่างกายนี่แหละอุปสรรคอันนี้มันจะบังเกิดขึ้นแม่มันอุปสรรคลำพานโยชนอยากจะากกระโดดโลกเต้นทีนี้ในตอนนี้ถ้านักภาวนาท่านใดอกตนพยายามเอาชนะมันให้ดัง โดยไม่ยอมแพ้มันง่ายมากต่อสู้ปั่นจนสุดพิสัยที่จะสู้ได้เองค่อยเปลี่ยนอิริยาบถโฟกัสเอาทอนไปๆไปๆท้ น, ทนไม่ได้ก็ทอนทอน ไ, ได้ก็ทอนเนต่อความครัง่งตัวจนทำนี้ทำนานจนกระทั่งว่าเรานั่งตลอดวันยั่งยั่ไม่คิดไม่เปลี่ยนอิริยาบถได้ แล้วภายหลังมันจะต่อสู้กับกันได้ในเมื่อ่ารในขั้นนร้่อนนี้ไปแล้วต่อไปการภาวนาจะสะบสบายมากทำไมขันธประมาณมันจึงแสดงออกมาให้ปรากฏแตกิเลสประมาณก็มาย้ำเข้าไปอีกกิเลสทั้งหลายนี่มันตัวเราจะหนีจากมัน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 นั่นแหละเราจพงจะปราบขันธมารให้ขานตนไปได้นี่ต้องพยายามเอาตรงนี้ให้ได้อ่าเาปราบใดที่เราเอาสมาธิในขันตนนี้ไม่ได้แล้วเราพูดไม่รู้ภาษากนหก๋ย่าโมจะว่าฉันก็เก่งโตก็เก่งพอหันหน้าพมาแล้ว ทะเลียงกันอุตรุมเพื่อฉะนั้นใครเยี่ยหลักการปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ให้มันแม่แม่ตุ๊โตกับตุ๊กโไปยุกน้องกับน้องกยุกน้องกับน้องไปสัมาลหังกับสัมมาละหังไปวิธีการปฏิบัติไม่มีเฉพ่อแต่สามอย่างดังที่กลมาแล้วท่านั้น บางทีบางที่เกี่ยนัเราอาจจะนั่งหลับตาตางใจให้มันดุนไปๆไปตั้งไปตั้งใจไปคิดมันแต่ถ้ามันคิดแล้วกําหนดปัจจัรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีไล่ตามมันไปอย่างนี้มันก็สบายดีเหมือนกันเราลองคิดมันจะสามารถเข้าไปูนสมภาที่ต่าง แต่คนขั้งไหลายก็ว่าอย่างนี้เยลยหลวงพ่อเคยแท่ว่ขาขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ให้จิตอยู่กับบริกรรมภาวนาปล่อยให้มันดูไปแต่ถ้ามันทิ้งบริกรรมภาวนาไปเที่ยอย่างอื่นก็ควรปล่อยให้มันไปบ้างแต่จะ่ า, ะาลืมครับว่าทีก็ตามรู้ ม, มาเคลื่ไปมีพระองค์หนึ่งบอก็่าเฮ้ยครับ่านั้นมันก็ยิ่งคุ้งใหญ่ไป ลองลองดูมันจะพุงไหมถ้าเราจะเิดว่าในขณะใดที่เราทังคับจิตของเราให้อยู่นิ่งหรือยู่ตับต่หรือตับตาตาได้ถ้าเราจะว่าเอาจะจะเชไปถึงไหน้ัศนตาลูกแกจะจะลงห้วยลงเขียวขึ้นว่าขึนสวรรคลงนรกก็จะตามแกไปให้มันเป็นสุดยกำลังตรงไหน ลองดูเนี่โอกาสที่จิตมันจะสงบเป็นสมาธิภาพการตามดูอารมณ์จิตนี่มันจะมีได้ไหมโอ้ยอันนี้ยังจะไปเชื่อกเองเขาเป็นหนูภาวนาโคตโคตรโตโคตรโตจิตมันจะสงบสว่างมีสมาีิมีจีตีมีความสุขเสื่อมเท่ากี่ตัวเองก็ทาให้ได้แล้วก็ยึดตรงนั่นนะ ที่ีทีหลังเราคนอื่นเข า, นะ า, า่ายึดแล้วคลองแล้ยึดแล้วคองแล้วิตเขาสงบนิ่งบ้างสว่างมีปีติมีความสุขเขาได้เยินเข้าควไม่เคยยึดเคยคลองกับเขาปัญหาว่าเขาปฏิบัติไม่ถูกหรือเปล่านักปฏิบัติของเราอยากเป็นเช่นนั้นให้พจายามันทันใจในหะ้มันเป็นการต่อวิธีการปฏิบัติที่กล่าวๆที่จิ้งเกลียงกันขัดกันแย่งกันอยู่นั่นนะ เป็นแต่ เ, เียงไปเลือกอยู่ที่วิธีการเท่านั้นเองเป็นอางบางทีบางท่านบอกว่ า, า, วาพวลาผู้โกผู้โกติดมันต้องบเป็นธรรมทาเท่านั้นจะไม่ถึง น, ง น, นี่ปัจจานาบางกีสองพแล้วภาวนาเนี่หน่อฟงหน่อจิตสงบผู้ลงสว่างกวที่ปัจจา้ว ภาวนาพุทโธจิตสงบลงนิ่งปสงา่างดเป็นสมถะแล้วทีนี่เมื่อภาวนาสองอย่างนี้เวลาจิตสงบแล้วมันเป็นเหมือ น, อนกันนี่จะเรียกว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นที่ตัณนาจิตสงบนิ่งนัอยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวหรือไปนั่อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวมันเป็นสมถะดังนั้นแหละที่นี่เจโตสงบลง วาระนั้นมันก็มีวิปัฒนาอยู่ด้วยกันนั่นแมันมีอยู่ด้วยกันอย่างไรประการแรกเราจะได้รู้ว่าสภาพจิตนี่ถ้าเราฝึออกฝนอควนเรื่อมันแล้วมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากความหุ้มไว้ไปสู่ความสงบเฉยเยือกเยนเปลี่ยนจากความเดือดร้อนไปสู่ความสุขความเยือกเย็นเพียงแค่นี้ก็าลองเห็นแล้วว่าความเปลี่ยนมัน ถ้าจิตไปนนสงบปลายความเปลี่ยนแปลงก็กำหนดรู้อันนีจังทีแล้วเราจะทอดอย่างยิ่ยงต่อไปเมีจิตสงบเป็นสมาธินิ่งทุกลงไปสว่างล่องขึ้นมาการูทันีว่านี่คือสมาธิตามสนบนิ่งของจิตเป็นสมาธิคือสมถะความรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างนี้จิตสงบเป็นสมถะเป็นอย่างนี้เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้ ความโลภแกนเห็นจริงหายสงสัยนั่นตัววิปัสสนาจะไเที่ยวหาเสียงกันให้มันปวดตัวต้องหลงทำอะไรใ น, นการแก้กัญหา่องธรรมะต่างๆในกรแก้กันที่ตรงไหนอะแก้กันที่ตาหูจมูกเป้นายในใจจับโตนาขั้งบารมีากรังสังเวียนตาเป็นตานี สา c ุโสเทน a สังมารูปการสัมบูรณ์หูเป็นการเนสังรสาธุการสบูรณ์จมูกเป็นาจิวหายะสังมารสาธุการสัมรณ์ิ้วเป็นการดปายะนะสังมารสาธุสับูรณ์กายเป็นกามสสังรสาธุการสรใจเป็นา คำรวมในที่ทั้งปวงยอดทนเจา้าทุกข์มันทน อ, อย่างไรคำรวมตานี่ยคำรวมอย่างไรมีตาแล้วไปดูมัหรือไปใช้ดูแต่ต้องให้มีสติอย่าให้มันเป็นตาารงโอ้ยินเสียงก็อย่าให้เป็นเสียอองอารจมูกก็อย่าให้เป็นจมูการลิ้นก็อย่าให้เป็นลิ้นาร ก็อย่าเป็นไฟหาเรื่องประเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นพระเถระธรรมขานใหญตูเดินมาเขากันปฏิปีกลางให้ครับมันทำไม่สมเกียรสมยศเราแน่ไฟกันตายหาเรื่องแล้วมันอยา่านอนที่ดีๆเพราะเาะนั้นการปฏิบัติทำนี่อยู่ที่การปลกปิปัมปะกันด้ให้รู้พร้อมอยู่ที่ตาหูมเใจใจ สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นแหละคือความมีปฏิปัญญารความรู้แก้งเห็นจริงรู้ว่าอะไรเป็นบาปรู้ว่อะไรเป็นบุญแก้บาปให้มันมากมากเพิ่มบุญให้มันหมากมากนั้นก็เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่มันอยู่ที่ความตั้งใจนะ พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าอขาตาโลตะขาคตาคตาขาพเป็นแต่เรียงผู้บอกถ้าจะไปดิบได้ดีทั้งเอาแต่อีกอย่างหนึ่งตอนที่จะจบประกาศนี้ขอแนะนำมิตรีสร้างพลังสิบการนอนเป็นเวลาการตื่นเป็นเวลา การรับทานเป็นเวลาการขับทายเป็นเวลาการอาบน้ำทำรักกายเป็นเวลาทำอะไรให้ตรงต่อเวลาแล้วก็ให้มีสัจะไว้ในใจว่าเราจะทำอะไรให้มันจริงใจก็จากักอย่างเลยให้เป็นวิหารธรรมเพื่มอยู่ นี่คือแผนการสร้างพลังจิตพลังใจการทําอะไรเป็นเวลาตรงไปตรงมามันเป็นการสร้างสจัดบาละมีถ้าใครมีสกากการจริงใจมีสจัดบาละ ม, ม, มีใกล้ต่อการตรัสรู้แต่ขาดสกัความจริงใจแล้วยังขาด พระเจาเบือพระองค์ทรงเป็นพระโพอฬาธรรมเ็นเบารมีไปเบื่อเป็นฤาษีอยู่ในป่าหินอัปทานก็อาลอ์เป็นพระเจ้า แ, แผน่นดินของพระนครหนึ่งเมื่อหน้าแดงฤาษีต้องออกมาทางอากาศมาพักอยู่ในสวนอุปยานของพระเจ้า แ, แผ่นดินอานอน เจ้าแผนนดินอานนตรงธาตุเสด็จใจข้อธรรมการถวายการอนุะสัมปทาและบา ร, รมีที่ท่านข้างร่วมกันมามันเป็นเครื่องกระุ้นเตือนใจให้เอาใจใส่กันพระฤาษีก็ อ, อนุเคาด้วยธรรมะด้วยอิทธิฤทธิฐานเกตุให้โรลาชาพระลาที่มีมีความสตกตปรสบาย เอาไการอุปถัมภ์ด้วยการนิมนต์มาฉันจังฉันในพระรัชวังทุกวันทุกวั น, ท, วนที่ได้อยู่มาในการครั้งหนึ่งพลาดศึกมันมาประชิตชายแยดดแต่ว่าโจงผู้น้ามันก่อจราจนงขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินยกทัพไปปราบตง บาหนาทีการอุปถาพระฤาษีไว้กับพระราชนีพระราชนีก็ทรงทํำตระหนาทีแทนพระองค์เป็นอย่างดีแต่อยู่มาวันหนึ่งเจ้าจำพระราชนีจัดกันลักมาวางไว้คอยแล้วคอยแล้วคอยเล่าแล้พระฤาษีก็ไม่เสด็จมาสักทีแต่พระฤาษีมาเขามาเข้าทางหน้าต่างไม่ได้เราซักซมาเหมือนอย่างเรา วันตุ่มันนั้นพยาที่มีไฟเล่าไฟเล่าตรงตรงเด็ดเลยเอ็นพระวรกายลงไปไม่หลับไปรับอย่างสนิทสายพลอยสีก็เข้าทางสมาบัตรโพรพอออกจากทางก็มาบัดเข้าได้เวลากันจังขันนะวนทิ่ันเกิดเข้าสู่สมาบัดมาทางอัตตาพอมาทางอัตตา เตินุ่งห่มองพลสีบางทีกมดไถ่ไม้ไาบางทีหมดไหนังเสือบางพอหอมาทางอาปากเสียงกระบกรดังโศกตัดกโทดคกลงมาภาในห้องช่อกรโลลาชินีกาลังบันทับก็ต้องอมเตงขึ้นไม่ได้ระวังโงลยทุกสิ่งทุกอย่ากรายกระจาย่วยวให้พลสีเกิดกิเลส พอเสร็จแล้วฐานก็เลยสีส่วนขาดความยักจ้า้งตั้งใจขาดสีคนไม่ไว้ก็กระโดดตั้งพลาที่ดี่โดยขันจังขันเสร็จหลังจากนั้นก็ออกมาทางอากาศ ไ, ได้เลยต้องเดินเดินมาขันจังขันขั น, น, น, น, น, นทังจังขันขันนั่งเตนแล้วก็กลับไปสู่สวนอุปยานจนก็ทะทั่งพลาชาลา เอกสมุรภาคองค์เจดกับพระลักษมณ์สว่างนับขนมกันนั้นก็คอยแคบหุนว่าเวลาที่นี้ที่ทำไม่ดีมีร้ายกับพระฤาษีแล้วพอก็องทรงทราบพระอง์ก็พิจารณาด้วยวิจารณญาณของนักบวชโดยตั้งท้าทายว่าถ้าเราจะไปถามพระฤาษีถ้าพระฤาษีรับอย่างใดเราก็จะรับอย่างนั้น ปิญญาอย่างไรเราก็จ ะ, จ ร, ะ, ร, ปป ร, ะรับอย่างนั้นทีนี้พาเสด็จใตเข้าวสอบถามพระฤาษีว่าพระคุณเจ้าประพฤติอย่างนั้นจริงไหมพระฤาษี่าพิจารณาบอกเอ้พระรายชาดีเขาร็ น, ราราารารนับถือเราถ้าเราจะโตึ้พระองค์ก็ต้องสรงเชื่อแต่พระเนือานาะยเราก็ตั้งป ร, รารภมีพวต ร, รัพฤติรักธรรมเสียัต่ละ เราจะทวนการทาความาจริงดีกว่าขอพระราชาถามมาจริงไหมเล่าจริงพระเจค่ะแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยขังเคร่งในปัจจารมีใชจริงจิการประทุนแ็ดนี้มีโทษถึงคอง่ะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ยอมล้โทษกระทนเกียนได้โดยอาชาโดยอนานาจของเราแต่ท่านก็ไม่กลัวการตายหน้าอาชญาัอาละข้าพุณเจ้าที่ข้าพุทธเจ้าประพฤตเลื่อนตัวไป น, นั้นขออวัยไม่เอาเลิกแต่ต่อไปข้าคุณเจ้าจะประพฤตเช่นนั้นอีกเราอนุญาตทห้ตอนแต่ละาพเจ้าแตดงตั้งข้อแสดงความพระพราชวาร แล้วก็ไม่ทรงเรื่ไม่เอาโทษกละมาเหต ส, สีใดๆทั้งนั้นส่วนพระโลสีก็ได้รับอนุญาตแล้วพระองค์ก็มาที่เจรานาว่าโออปั่นจิตหายบายก่อนเด็กๆก็เราเข า, าสู่แดนมนุษย์น่ะเขาสู่แดนมนุษย์เนี่ยมันมีปัจจัอันตรายพ้ะอาจารย์ของเราสอนไว้ว่าไปสู่แดนมนุษย์แล้วให้ระวังกัดมีเข่าที่อกมันจะเป็นเอาตาย เราก็มาเจอถ้าจริงจริงอย่างนี้สิอย่าล้ต่อไปนี้เราก็มาใกล้มันอีกแล้วแต่เราพอทีิฐานจิตเท้าฐานสมาบัติของนี้ไปอยู่ไป ท่านที่ก็นั่งให้มันได้จะได้รอแหละในเาทวราชตอแลา้วมีโดยเฉพาะอย่างนี้ลูกปู่สอนที่ท่านสอนที่นอนสี่โมงตื่นดีสามนอนสี่โมงตื่นปีสาอันนี้เป็นหลักคำสอนที่เป็นศพเป็นเที่ยวเข็นลักษณะหากใครปฏิบัติได้แล้วท่านบอกว่ามันจะมีพลังเสพพลังใจมีสักดาความจริงใจ เอาแล้วนะพอสมควรแล้วผมพูดต่อไปผมฟังก็ผมมื่ยเก็บแก่มองเห็นว่าพอสมควรแก่กาละเวลาจิตของยุติการปรญยาธรรมะกอเป็นกติเกดิใก ด, ใ จ, กดใจของท่านทั้งหลายด้วยเวลาเพียงเข้านี้กำหนดติจอย่างไรเดินจงกรก็ภาวนาพุทโธพุทโอย่างเต่านั่นแหละ การตดนตรงนี้เราได้สร้างปฏิสัมปชัญญะมากกว่านั่งหรือนอนแล้าเราต้องระมัดรวังอยู่ตลอดเวลาการนั่งนี่มันสบายไม่ต้องระหัวัองอะไรนอนยิ่งสบายใหญ่การปฏิบัติเดนตรงนั่งกสมาธิเก่งกั น, ดนอดอิดอดทักตน หนึ่งยี่สิบสีส่ทมโมงก็แบ่งให้มันเท่าเท่ากันได้หนีอนี้เอาแค่นี้นะ <c oughs>